จิตที่อบรมดีแล้วสามารถปล่อยคลื่นอัลฟาได้มีการค้นคว้าและทดลองที่ใช้วิธีการแตกต่างกันแต่ก็มุ่งผลอันเดียวกันอยู่ที่สถาบันเกี่ยวกับโรคทางประสาทและจิตชื่อแลงลีพอเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหน่วยหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในซานฟรานซิสโก ที่สถาบันแห่งนี้ได้มีการค้นคว้าทดลองกันมาเป็นเวลาหลายปีโดยมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งมีดรโจกามิยะเป็นหัวหน้าแนาวการทดลองของสถานที่แห่งนี้ดำเนินไปคนละแบบกับที่กล่าวมาแล้วคือที่นี่เขาได้ทดลองหัดให้บุคคลควบคุมการทำงานของคลื่นมันสมองของตนเองในบางอย่างคือเขาพบว่าการดาเนินงานของมันสมองนั้นบางอย่างมีคลื่นที่เรียกกันว่า เคลื่นอัลฟาออกมาและคลื่นชนิดนี้รู้สึกว่าจะมีอํานาจในการผ่อนคลายความวิตกกังวลซึ่งเป็นพิษร้ายแก่มันสมองและร่างกายทั่วๆไปได้ด้วยคลื่นดังกล่าวนี้จะปรากฏในขณะที่บุคคลตื่นและมีสมาธิในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายด้วยจากการค้นคว้าทดลองทําให้ได้แนวความคิดว่า มีลักษณะของจิตใจบางประการที่เป็นเครื่องส่งเสริมให้บุคคลบางคนมีความสามารถพิเศษในการบังคับและผลิตคลื่นอัลฟาในระหว่างการทำงานของมันสมองได้ดีกว่าผู้อื่นบุคคลประเภทที่ว่านั้นรู้สึกว่าจะเป็นประเภทที่ชอบคิดเข้าข้างในหรือประเภทที่สนใจในเรื่องจิตใจเป็นพิเศษและสามารถเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจและความรู้สึกของผู้อื่นได้ดี ซึ่งโดยมากก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Intuition หรือยานพิเศษด้วยซึ่งหมายถึงความรู้ที่เกิดจากข้างในโดยไม่ได้เกี่ยวกับเหตุผลหรือเครื่องจูงใจภายนอกอันที่จริงความรู้ที่ว่ากระแสความคิดของบุคคลสามารถบังคับคลื่นอัลฟาที่ออกมาจากสมองได้นี้เป็นการค้นพบโดยบังเอิญ แต่ผลที่ได้รับโดยบังเอิญนี้ได้มีบทบาทอย่างสำคัญในการค้นคว้าเพื่อหาความรู้อย่างกว้างขวางต่อไปซึ่งคาดว่าจะมีประโยชน์และน่าสนใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวแม้ว่าในปัจจุบันนี้เราจะสรุปผลอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซนลงไปไม่ได้ว่าสุขภาพทั้งทางกายและจิตของบุคคลขึ้นอยู่กับความสามารถในเรื่องนี้ก็ตาม แนวการค้นคว้าขั้นต่อไปมุ่งหมายที่จะทดลองอำนาจของความนึกคิดหรือจิตใจที่มีต่อร่างกายให้กว้างขวางขึ้นเช่นการทดลองทำให้หลับและการควบคุมการทำงานของกระเพาะอาหารด้วยอำนาจของความคิดเพียงอย่างเดียวในการนี้จะมีการทดลองฝึกบุคคลเพื่อดูผลว่าความสามารถในการควบคุมจิตใจหรือความคิดของตอนเองนั้นจะเป็นการเพิ่มพูนสมรรถภาพ ในการทำงานด้วยหรือไม่และเพียงใดในเรื่องเกี่ยวกับการหลับนักวิทยาศาสตร์ก็กำลังทดลองดูว่าบุคคลที่มีความสามารถในการผลิตคลื่นอัลฟาจากสมองของตนได้นั้นจะสามารถได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอโดยไม่ต้องนอนหลับได้หรือไม่เพราะเมื่ออำนาจความคิดบางอย่าง ทำให้ผ่อนคลายความตึงเครียดและเป็นการพักผ่อนไปในตัวได้แล้วก็น่าจะเป็นเครื่องทดแทนการพักผ่อนโดยการหลับได้ไม่มากก็น้อยถ้าการค้นคว้านี้ได้ผลสมความมุ่งหมายก็จะเป็นเครื่องช่วยได้เป็นอย่างมากสําหรับบุคคลที่ต้องตรากตรําทํางานที่หนักอย่างน่าเบื่อหน่ายแต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นงานที่สำคัญซึ่งเขาจะละทิ้งไม่ได้เช่นการเดินทางในอวกาศเป็นเวลานา น, านๆและการที่ต้องเผชิญกับความตึงเครียดทางใจสำหรับทหารในสนามรบเป็นต้นแผนการทดลองนี้ยังเกี่ยวกับการหัดให้บุคคลรู้จักควบคุมอาการของร่างกายในขณะที่เกิดอารมณ์รุนแรงเช่นความตื่นเต้นตกใจหรือความกลัว อาการของร่างกายดังกล่าวได้แก่การที่มีเหงื่อออกที่ฝ่ามือและการที่หัวใจเต้นแรงผิดปกติเป็นต้นอันที่จริงการควบคุมอาการของร่างกายเหล่านี้ก็คือการควบคุมอารมณ์หรือเรียกว่าการตั้งสตินั่นเองการควบคุมอาการของร่างกายที่จะมีประโยชน์มากอีกประการหนึ่งก็คือ การควบคุมการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายก็เป็นไปตามความนึกคิดซึ่งแต่เดิมเชื่อกันอย่างเด็ดขาดว่าอยู่นอกอำนาจของมันสมองหรือจิตสำนึกโดยสิ้นเชิงถ้าการทดลองดังกล่าวเป็นไปได้จริงก็จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปในเวลาเกิดอุบัติเหตุที่ต้องเสียโลหิตมากๆจากบาดแผลเพราะบุคคลผู้นั้นอาจจะใช้กาลังจิตของเขาช่วยด้วยทาให้โลหิตมีการไหลเวียนช้าลง ก็จะทำให้เสียโลหิตน้อยลงไปมากและจะมีโอกาสรอดตายได้มากขึ้นนอกจากนั้นสำหรับผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิตที่ท่อนขาไม่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอก็อาจใช้กำลังจิตช่วยเร่งการไหลเวียนของโลหิตในบริเวณนั้นให้แรงขึ้นก็ได้ ดรโจกาเยะหัวหน้าผู้ดำเนินการค้นคว้าเกี่ยวกับคลื่นอัลฟาซึ่งส่งออกมาจากสมองได้ให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วๆนี้ว่าบุคคลบางคนมีความสามารถพิเศษในการเปิดและปิดสวิตซ์สำหรับปล่อยกระแสคลื่นอัลฟาสำหรับรักษาโรคออกมาจากสมองของตนเองได้ตามปรารถนาโดยเขาสามารถตั้งใจหรือน้อมใจ ไปเพื่อความประสงค์เช่นนี้ได้อย่างชำนาญแต่เมื่อถูกถามให้อธิบายถึงวิธีการเขาก็มักตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทำไปได้อย่างไรเท่าที่สังเกตมาก็รู้สึกว่าบุคคลผู้ที่ได้ปฏิบัติในทางสมาธิมาอย่างได้ผลซึ่งจะเป็นสมาธิแบบนิกายเซนหรือแบบอื่นๆก็ตามมักมีความสามารถพิเศษในการบังคับคลื่นอัลฟาได้ตามใจชอบ หมายเหตุผู้แปลผู้แปลใคร่ขอให้ความเห็นเพิ่มเติมสักเล็กน้อยว่าหลักการของนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกนั้นกำลังจะมาสนับสนุนหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นทุกทีโดยเฉพาะในหลักที่ว่า 1. จิตที่บุคคลฝึกแล้วคือตั้งไว้ถูกแล้วย่อมทำประโยชน์ให้แก่บุคคลนั้นเองมากมายใหญ่หลวงยิ่งกว่าที่พ่อแม่หรือคนที่รักอื่น จะทำให้แก่บุคคลนั้นได้ข้อความจากธรรมบท 2. บุคคลผู้มีปัญญาย่อมทำตนให้มีความสุขได้แม้ในเวลาที่เกิดความทุกข์ภาษิทธิพระมหากัปปินะเทระคถา 3. จิตที่ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมคือเหตุปัจจัยภายนอกอันเป็นธรรมดาโลก ที่กล่าวถึงในมงคลคาถาข้อสุดท้ายนั้นก็คือสภาวะของจิตที่เรียกกันในปัจจุบันว่า emotional stability หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่าความมั่นคงในทางอารมณ์หรือความปราณีตในทางจิตนั่นเองบทความจาก New York Times ฉบับวันที่10มกราคมคศินต่ักราช1917 เอกสารด้วยความเอื้อเฟื้อจากองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก40ถนนพระอาทิตย์พระนคร